สองหน้าเนี่ยหน้าไหนที่เราอ่านได้ละเอียดเราก็จะมีประโยชน์ในส่วนที่หน้าที่ดีแล้วก็เราอ่านออกบอกได้ใช้เป็นเห็นชัดแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปในส่วนหน้าที่ไม่ดีหน้าขี้เหร่หน้าที่ไม่เอาไหนของเราเองแล้วก็อ่านออกมาเพื่อที่จะปรับแก้ขัดเกลาเราแต่งให้มันสวยงามเหมือนเราขัดเกลาพระ พระพระนี้เวลาเขาหล่อแล้วเชื่อมันเชื่อาเจดใช้ได้เลยนะก็ต้องมาขัดมาเรามาเรามาขัดยิ่งขัดยิ่งสียิ่งบทยิ่งขัดก็ยิ่งงดงามแล้วความเป็นพระนี่นก็น้านี้เราก็ต้องแก้หน้าที่คิเล่ต้องแก้ไข ด, ด้วยการขัดเกลาหน้าที่ดีแล้วก็รักษาไว้ให้มันสวยงามต่อไปอันนี้คือเป้าหมายในการอ่านกายอ่านใจของตัวเอง ส่วนกายส่วนไหนที่เราแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วไหนแก้ไขไม่ได้ส่วนจิตของเราก็เช่นเดียวกันนะที่เราฝึกฝนมาเพื่อจะดูแค่สองอย่างแค่นี้เองแล้วก็มาอ่านกันฟังว่าเราอ่านได้มากแค่ไหนแค่ไหนในช่งชวงเช้านี้เร า, เ ร, าเริ่มเริ่มตัวจ้าพระเราถ้าเราก็เป็นกรเรยนนมิตรเป็นเพื่อนปฏิบัติท่านอ่านของท่านเป็นอย่างไรก็อ่านให้เราฟังก่อนมาตามลำดับไปก็เรียกว่า ช่วงเช้านี้ดูพระท่านจะใช้อ่านให้ละเอียดว่างั้นเถอจะอ่านที่มันอยู่ในประเด็นที่เราสามารถจะอ่านให้ฟังได้เพื่อว่าเป็นกรณีศึกษาของของมุขคณะเริ่มต้นจากตลงปูแดงก่อนเนาะว่าตั้งแต่ปฏิบัติมานี้วิธีการแบบนี้เป็นรู้สึกเป็นยังไง ร, รับได้ไหมแล้วปฏิบัติแล้วแตกต่างกันของเดิมอย่างไรอันนี้ก็จะอ่านให้เราฟังคนอิมุนก่ ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์และคณะสงฆ์ตลาดจนญาติโยมทุกทุกท่านที่มาร่วมในคราวนี้ <c oughs> ก็จะขอร า, ายงานว่าการมาประพฤติปฏิบัติในคราวนี้หรือ ตั้งแต่มาได้รู้จักการเปลี่ยนในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนจิตสุโพทำให้มีความรู้สึกว่ากายวาจาใจนั้นเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆเพราะว่าทำให้ตนเองนั้นรู้จักตัวของตอนเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในความเป็นจริงตามธรรมชาติที่ พระพุทธศาสน า, าได้สอนมาแล้วก็ปฏิบัติให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นกายกายก็มีสติมากขึ้น <c oughs> วาจาก็มีสติมากขึ้นใจนั้นก็มีสติมากขึ้นมีสติพร้อมทั้งความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อม <c oughs> เมื่อก่อนก็จะวิ่งอยู่กับ อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้าง <c oughs> แต่การที่จะเข้ามาอยู่ในความเป็นปัจจุบันนี้มีน้อย <c oughs> ก็เลย <c oughs> ต้องมีทุกบ้างสุขบ้างทุกมากบ้างสุขมากบ้างเป็นไปตามสภาวะของความเป็นจริงที่ยังเป็นผู้ที่ยังมีเชือ้อและก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขหรือว่าปฏิบัต การปฏิบัติเดิมๆนั้นมาก็ดีอยู่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมาเพิ่มในวิธีของหลวงพ่อเทียนจิตสุพโพให้มีความเข้าใจสติฐานสีทาให้เรานี้มองเห็นตัวเราชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่มันดีและมันร้ายมันก็มองเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นและท้ายสุดท่านก็ให้ รู้จักวิธีเอาออกเอาออกด้วยการไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นดีก็ให้พยายามเอาออกไม่ดีก็ให้พยายามเอาออกแล้วก็เอาสติสัมปะชัญญะนั้นเข้าไปใส่ใส่ให้มากขึ้นมากขึ้นใส่ให้กายเป็นอบอุน่นใสยให้มากขึ้นมากขึ้นให้รลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืน ให้เข้าใจว่ากายวาจาใจนั้นได้รับความสุขขนาดไหนได้รับความสุขอย่างไรส่วนกายวาจาใจที่ได้รับความทุกข์นั้นก็ให้รู้ชัดนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่ว่าได้เจริญสติปัฏฐานสี่คือได้รู้จักทุกได้รู้จักสุขได้รู้จักวิธีปล่อยละบางแก้ไขออกให้เบาให้สบาย โดยการมาอยู่ในความเป็นปัจจุบันก็เลยต้องพิจารณาไข่ควนอย่างนี้อย่างนี้ให้เรื่อยๆให้ยิ่งๆให้เป็นประจำอยู่กับหมู่ก็ไข้ควนทันบ้างไม่ทันบ้างคนทุกข์ก็เกิดทุกบ้างสุขบ้างมันเป็นไปตามความที่ไม่สมบูรณ์แห่งความมีสติมีสังขปัญญ า, น, านั่นแลพอมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เลยต้องทุกข์ พอมีความสุขเกิดขึ้นก็เลยต้องสุขทั้งทุกทข์ทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นเป็นสลับกันอยู่อย่างนี้จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างเดียวนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่ายัางเป็นผู้อ่อนอยังเป็นผู้เข้ามาเจริญในวิชาพุทธศาสนานี้ยังมีอายุน้อยอยู่แต่ก็นําว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรม และรู้แจ่มแจ้งในการเดินการปฏิบัติความทุกข์นั้นทุกจริงจริงทุกที่เกิดจากทางตาทางหูทางจมูกทางดินทางกายทางใจส่วนความสุขนั้นก็สุขเหมือนกันเกิดขึ้นมาจากอายตนะเดียวกันแต่พอเวลามาเข้าใจในจุดนี้แล้วทำให้ความทุกข์ความสุขนั้นรู้จักคํว่ามีเบรกมีสติมีการยับยัง้ง แจกถากว่าข่าวใดไม่มีการยับยั้งมันก็ไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปจนกระทั่งมืดมนเหมือนกันมันก็มืดมันก็แจ้งอย่างนี้แหละก็เลยต้องไขควรดูในลําพังตามลําพังของตนเองอยู่ผู้เดียวก็ไขควรอยู่กับบุคคณะอยู่กับค่านิยมสังคมก็ไขควรพิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละทำอย่างไดจะแก้ทุกได้ทําอย่างไดจะทําให้จิตนั้น สบายมีปัญญาเกิดขึ้นตามแนวทางของพุทธศาสนาเพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านสอนว่าให้อยู่กับความเป็นผู้มีใจรักษก็ใจรักมาพิจรารณาสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตนถ้าหากว่าไปยึดมั่นติดมั่นเอาโดยการขาดสติความทุกข์นั้นก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาท่านก็เลยบอกว่าให้เอาทุกข์นั้นออก รู้แล้วก็ออกสุขรู้แล้วก็ออกอย่าไปติดที่ทุกข์ที่สุขอย่าไปติดที่สงบถ้าก็พยายามที่จะพิจารณาให้ควรอยู่อย่างนี้ผิดบ้างถูกบ้างถูกบ้างผิดบ้างพลาดบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็ยังดีที่ว่าไม่ทิ้งความเป็นอนิจจังไม่ทิ้งความเป็นอนัตตาถึงจะทันหรือไม่ทันได้ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ในความเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ก็ให้ดึงความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่ที่ปัจจุบันผ่านแล้วก็คือผ่านไปแล้วแล้วก็แล้วไปแต่ปัจจุบันนี้พยายามทำให้ดีทำให้ดีอยู่เรื่อยๆโดยการมีสติมีสัมปชัญญะให้ทำความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมนั บ, บ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนานี้ให้ความสุขอย่างแท้จริงคือทาให้เราน n ้นเห็นความทุกข์ของตนเอง แล้วก็ทําให้เราเห็นความสุขของตนเองบ้างและท้ายสุดเหล่านั้นท่านก็บอกว่าไม่ให้ไปติดเพราะว่าของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เที่ยงยังไงก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นทุกข์เราก็ทราบดีอยู่ว่ามันทุกข์มันเป็นสุขก็คือการผ่อนคลายจากทุกข์เราก็ยังทราบดีอยู่แต่ว่า เราจะเข้าไปเข้าใจของลักษณะของคัมมาอนิจจงนั้นอย่างไงของอนัตานั้นอย่างไงและจะรู้จะจับได้ด้วยวิธียังไงถึงจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ยังมีควนเชื่นใจอยู่ว่าของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงอนัตอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจึงไม่ควรไปยึดจึงไม่ควรไป นำมาเข้าเป็นอัตตาคือให้มาเป็นของที่เกิดขึ้นประจำก็เลยพลอยทําให้มีกําลังใจขึ้นมีกำลังใจขึ้ น, นเพราะว่าพระศาสนานั้นท่านสอนให้รู้ท่านไม่ได้สอนให้เอาอะไรให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ให้ปล่อยให้วางให้คลายถึงจะเอาก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่ใช่ตัวตนก็พิจารณาอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> นับว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากที่ได้มาพบกับหลวงพอ่อและหลวงพ่อก็นำเอาธรรมแท้นั้นมาให้ได้รู้จักให้ได้ปฏิบัติตอนนี้เป็นต้นไปก็จะได้ดําเนินในวิถีนี้ให้ควรในวิถีนี้ให้เอาเป็นสมบัติประจํากายใจชีวิตของตอนตลอดไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะัาว่าเป็นอริยทรัพย์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ให้ความสุขที่สุด เพราะว่าจิตใจเ่านั้นสิ่งที่เราเพึ่งได้มีความสุขก็คือศีลธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาส่วนร่างกายนั้นเราก็อาศัยข้าวปาอาหารเรนาสนาสนสีข้าวของเงินทองหน้าที่กันงาน <c oughs> เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัย <c oughs> ก็เลยต้องเข้าใจคําว่ากายกับใจกายกับใจใจกับกายมีการอาศัยเกี่ยวเรื่องซึ่งกันและกันไม่ให้ ัดแยงซึ่งกันและกันนับว่าดีที่สุดดีมากในชีวิตของอาตมาที่ได้มาถึงจุดนี้แล้วก็จะพยายามทำในจุดนี้ให้เป็นสมบัติของตนอยู่ตลอดจนชีวิตนั้นจะหาไม่ส่วนผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะขออยู่กับปัจจุบันนี้แหละจะไม่ได้คำานึงถึงมากผลจะเป็นเช่นไรขอขอให้อยู่ในกับปัจจุบันนี้นับว่าดีมากดีที่สุดปัจจุบันเป็นของให้ความสุขมากที่สุด อนาคตอดีตนั้นมีแต่ทุกข์กับสุขมีแต่ทุกข์กับความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์กับความไม่ใช่ตัวตนดีใจที่สุดที่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะพยายามทำปัจจุบันนี้ให้มีความเข้าใจยิ่งๆิ่งขึ้นไปสิ่งที่อาตมาเล่ามานี้ก็เป็นการอบรมฝึกผลอยู่ในตัวของตนเองยายาค่อยใข้ควรอยู่ลำพังก็ไข้ควรอยู่กับหมวกก็น่ก็ไข้ควรนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากดีมากที่สุด ท่านนี้จึงขอจบลงด้วยคำว่าทำแห่งการเป็นปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่นำความสุขมาให้อย่างยิ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดมีขึ้นให้เกิดเจริญขึ้นให้ความชัดเจนในสติในศีลในสมาธิในปัญญาและให้ความสุขโดยการสบายเบาจึงจะขอดำเนินสิ่งนี้สืบไปตลอดไปในชีวิตของตนเองจึงกล่าบมาเท่านี้จเจ ร, ริญพรญาติโยม ากาบนมัสการพ่อแม่ครัวอาจารย์คณะสงฆ์ขอพระคุณครับจริงเราได้ฟังหลวงก็เรียกเล่นได้เล่นอลวปู่แดงว่าเทวดาส่งมาเพราะว่าอันเข้ามาอยู่ที่วัดก็ยังไม่ถึงเดือนอันใดาจลิขุดงมา มาประ ก, กุอยู่ใกล้ๆวัดท่านไปบินาบาบในหมู่บ้านได้สองสัปหก็ได้พบสวนทางกับพระของเราพระของเราก็นิมนต์ท่านมาที่วัดก็ดูเหมือนว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยมีความมา่อนมธ่อมตนก็ถือว่าเป็นนิวิธหมายที่ดีเราได้พระท่านรษาท่านสิบสองสบสองนี่เป็นพระเทระที่จะ เรียกว่าฝนอบรมจนได้หงที่ระดับหนึ่งแล้วเป็นกำลังใจก็ได้นิมนต์ท่านไว้ที่วัดวัดดอยพุทธประธาตเพื่อเป็นกำลังใจของพระนุ่มของเราซึ่งได้ภรรษาสี่ห้าหกก็จะในไหนเทวดาส่งมาแล้วท่านก็คงจะมั่นใจในกา ร, รพุธทธปฏิบัติในวิธีนี้แล้วก็จะได้พบกับพวกนักปฏิบัติของเราแต่บาเพ็ญประโยชน์ได้นะซึ่ง <c oughs> ในวันหนึ่งเราไปปฏิมโมกที่วัดหาแพร่แสงเทียนนะครับท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าผมเป็นธรรมยุทธนะครับเราไปร่วมปฏิมโมกได้ไหมพุทธมาก็บอกว่าเราไม่มีธรรมยุทธ์มานิกายเรามีแต่พุทธนิกายนิกายของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีธรรมยุทธ์มานิกายพาุาธมาเนี่ไปวัดธรมยุทธก็ได้มานิกายก็ได้ เพราว่าเราเป็นลูกแห่งพุทธะอันนี้กายนี้เกิดขึ้นทีหลังท่านก็พอใจท่านก็ไปร่วมปฏิโมกข์เราซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยพระธรรมยุทธ์จะไปไม่ได้แต่เมื่อท่านเข้าใจแล้วสามารถปรับได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุที่จ ะ, อ, ะออกจากกรอบของวัฒนธรรมออกจากกรอบของส ม, มุติได้ก็เป็นสัญญาณในการพุทปฏิบัติที่จะก้าวหน้าต่อไป วนี้ก็มาดูพระหนุ่มของเราท่านเอฟได้ช่วยบริการให้แกเราด้านการดูแลเป็นพี่เลี้ยงก็เลยมาฝึกงานพรก็จะมาให้ท่านได้ดูแลที่วัดแทนเรื่อน้ำเรื่องไฟเรื่องที่อยู่อาศัยเสนาชนะเวลามาไปทางจังหวัดหรือไปต่างประเทศท่านก็ดูแลได้อย่างดีที่ท่านมีมาที่นี่ท่านมีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมท่านก็จะเล่าให้เราฟังทุกคน น้อมแต่อุปหาชา์แล้วก็ขนอบน้อมคณะสงฆ์จะเดินพรญาติโยมนะครับ ก, ก็มาที่นี่ก็เข้าข้อนนี้นานมากนะครับที่ผมไม่ได้มาแบบนี้ก็นานพอสมควรมข้อนี้ก็ได้อะไรหลายอย่างนะครับในในสิ่งที่ชัดเจนเลยเนี่ยที่หลวงพ่อท่านพยายามจะปลุก จะไม่ให้เราสลุมสลือไม่ให้เรเพลินเะนี่ยเพราะว่าเราต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้ให้มีความสดชื่อนอยู่ตลอดเวลาเนะให้มีความตื่นตัวเราก็เอ๊ะทำไมนั่งอยู่รู้แบบเบอะเบอะ ร, รู้แบบสลุมสลืออย่างนี้มันก็ได้นี่แต่พอวันหนึ่งเรามาเห็นว่าอ๋อความตื่นตัวนี่มันสําคัญอย่างนี้นะครับถ้าไม่ตื่นตัวเลยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตัวดูเรายกมืออยู่เนี่ย มันก็ไม่เป็นผลมากเท่าเท่าเราสดชื่อนอยู่เหมือนเราเตรียมันตัวที่จะทํำสิ่งต่างๆอยตลอดเวลาอย่างนี้ครับแล้วในส่วนในส่วนจิตของเราเนี่ยก็ดูกายดูใจของเราไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกายเรามีเวทนาตรงไห น, นมีความปวดเมื่อยเราก็ปรับเปลี่ยนันไปในในด้านความรู้สึกเราก็ดูว่ามันคิดอะไรมันคิดถึงเรื่องไหนมันปรุงแต่งยงัไงไรนี่นี่ส่วนนี้ชัดเจนมากมามางวดนี้ต่อไปก็จะพยายามปรบับปรุงตัวเองหนะมายรอบนี้ก็นั่ง นั่งหลับนั่งสลุมสลือนานกันก็พอสลุมสลืหลายๆวันเราก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตื่นมาพอเรารู้สึกตัวมาเนี่ยทาไมมึนหัววนเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สังเกตตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ว่านั่งหลับตาครับแต่ผมจะมีปัญหาทางด้านตาดีนึงเวลาเจอแสงมันจะชอบหลับเองมันนะครับแล้วมันก็ได้โอกาสมันก็จะหลับไปเลยแล้วเราก็จะไม่รู้สึกตัวนี่ในส่วนนี้ชัดเจนนะครับแลในส่วนอื่นๆก็อ่า มันก็เข้าใจหลายอย่างเพราะว่าการปฏิบัติวิธีนี้ผมก็ทํามานานนะครับมันก็จะเป็นส่วนเสริมขึ้นมาในส่วนที่หลวงพ่อท่านชอบอจัดคอจัดกิจกรรมวนี้เราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมหลวงพ่อท่านชอบจัดอะไรบ่อยๆอ๋อเพราะว่ามันเป็นการดึงดึงกันขึ้นมาจากถ้าเราซ้อมอยู่คนเดียวเราอาจจะที่เกียดที่เบื่ออะไรแต่ถ้าเรามาทําอย่างเนี้ยมันก็จะมันจะเหมือนการช่วยกันมีการกระทําที่ให้เกิดขึ้นเป็นผลมากชาัดเจนนี่ครับ แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราจะไม่ได้ยุ่งกับสิ่งอื่นเลยเราจะยุ่งหมดแต่กับตัวเองทีนี้เมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวอาจจะยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเบื่ออาจจะเสียเฉยไม่อยากทำเออนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวได้อย่างนี้แตม่มันไม่เป็นผลเหมือนการมาทําอย่างนี้เราสังเกตดีๆครับการทําอย่างนี้ความความตื่นตัวหรือว่าด้านจิตใจเนี่ยของเรา ม, มันจะดีกว่าการที่เราอาอาจจะทําคนเดียวเนาะแบบ มันไม่มีหมู่คณะนะครับแต่เราอย่างนี้เรมีกาลังใจในการที่จะทําที่จะเดินเหนื่อยบ้างเพียบบ้างท้อบ้างอคิดมากหุดหงิ ด, งดอะไรเบื่อเซ็งอะไรก็พอเวลาเราเห็นไปเจอเพื่อนเจอคนข้างเ้าก็อ๋อท่านยังเดินได้เลยขนาดคนแก่ๆกว่าเราอคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีท่านเขาก็ยังทํากันได้แล้วก็มีกำลังใจฟื้นฟูขึ้นมานะครับ ในส่วนอื่นอย่างการดูกายเนี่ยผมก็จะอคือพยายามดูตลอดเวลานะครับเพราะว่าก็มีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าก็สู้กันกับกับอารมณ์ตั้งแต่เช้าแล้วระหังแจ้งเนี่โอเยเราก็จะเห็นครับแต่ว่าก็เราก็่อยากเข้าไปกับอารมณ์ของมันอย่างเงี้ยอืมคืออารมณ์ก็ส่วนหนึ่งตัวเราก็ส่วนหนึ่งถึงแม้เราจะขี้เกียจแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาสิ่งไหนที่เราขี้เกียจทําแต่ว่า ได้อารมณ์ขี้เกียจอาจจะเบื่ออะไรแต่ว่าจะเกิดก็เหยียวกายของเราไปร่วมกับมันเดี๋ยวมันจะสุงขวาขึ้นมานี่มันจะเรียบร้อยมันจะไม่อยากทําอะไรเลยครับแต่ว่าเราก็แยกส่วนของมันไว้คนละส่วนกันอย่างเงี้ยดี๋ยวถ้ากายเราเมื่อยเราตรงไหนอะไรปวดเมื่อยเราไม่อยากทําเราขี้เกียจเราอย่างเงี้ยเราอย่าเอาใจของเราไปร่วมนะครับเพราะถ้าร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันมันจะการแสดงผลของมันมันจะไม่อยากทําอะไรเลยมันจะชเชื่เนี่ยเราก็สังเกต เนี่ยผมก็สังเกตอยู่นี้ไม่ได้สังเกตลึกอลึกมากครับแต่ว่าถ้าเราตามดูกายดูใจของเราไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเนี่ยมันก็แสดงผลของเราเองนะครับเนี่ยสิ่งไหนที่มันมีเนะี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราตามดูกายดูเนี่ยมันก็เห็นนะครับอย่างผมเนี่ยยอมรับเลยว่าคนที่งุดหงิดนะครับมันงุนหงิดในใจหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาข้างนอกครับคือเป็นคนที่เคยอยู่คนเดียวมานานตั้งแต่เด็กนะครับเวลาเจออะไรแบบ นี่ทำไมก็แค่นี้คนอื่นไม่ไม่รู้หลือวิธีทํามันทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะชอบคิดอย่างเงี้ยแค่นี้ทําไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่นานไปแล้วเข้าใจในในส่วนนี้ที่ผมยังยังแก้ไขตัวเองไม่ได้ก็ถึงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพยายามแก้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็เห็นอยู่หรอกบางทีมันก็เห็นว่าอารมณ์เป็นยังไงอแต่มันก็มันหน่อยหนึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันมันตัดไม่ขาดทักทีถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่นะครับว่ามันเป็นอารมณ์ยังไง หรือว่ามันคงสติของเราก็ยังคงไม่เข้มแข็งพอเนี่ยแลในส่วนหนึ่งที่เห็นเวลาเรายกมือเราเดินจงกรมไปเนี่ยเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแบบคิดอะไรไปเรื่อยเปือเ่อยครับคิดแบบยกไปคิดไปยกไปคิดไปเดินไปคิดไปอย่างเงี้ยมั น, ม, นมันเหมือนเรามันมันไม่ชัดเจนคนระับมันไม่ได้มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเรายกไปเนี่ยเราเจอมาสําหรับผู้ใหม่นะครับเราเจอ ความคิดมาเราเริ่มเรารีบกลับมาอยู่กับมือกับการรู้สึกตัวของเท้าดีกว่ามากกว่าที่จะไปเห็นมันว่าเราคิดอะไรเนะครับนี่สาหรับตัวเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนรวมวคือคูบคึงกับตัวเองนะครับเพราะบางทีสติเรายังไม่เข้มแข็งพอนะเราก็เข้าไปกับความคิดไหลไปเรื่อยถึงแม้จะเห็นว่ายกมืออยู่แต่ว่ามันมันเหมือนมันเหมือนไอ้มันไม่ไปเกาะสิ่งอื่นแล้วนะครับมันไม่ได้เกาะกับกับกายของเราแล้วเนีหยมันไม่เกาะกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นแล้ว เราพอเรารู้สึกตัวเองเราก็ขยับตัวเอ้ยลบมาหน่อยหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยคือปฏิวัติไปมันเหมือนจะเห็นอะไรเรื่อยๆเลยถึงแม้เราทําเรื่องเก่าซ้ำๆเรื่ซ้ำๆเนี่ยแต่สิ่งอื่นมันก็จะผดขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราไปเจ อ, อเหตุการณ์ที่มันมีเวทนาจัดๆเงี้ยเออเราก็เห็นว่าเราไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าคนอื่นเขาเราก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายแค่นี้ผลมันก็เห็นแล้วนะไม่ต้องไปถึงว่านี่พานเป็นยังไงหรอก แต่เรากแก้กับปัจจุบันนี่แหละอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาอารมณ์เบื่อขึ้นมาแล้วแก้ไขยังไงเนี่ยยปวดเมื่อยอเวทนาขึ้นมานั่งปวดหลังปวดเอวขึ้นมาเนี่ยเราก็แก้ไขตามดูกันไปอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนอ่ะเมื่อยเป็นยังไงมันเริ่มต้นยังไงเนี่ยการเปลี่ยนตอนมันเปลี่ยนตอนมันหายไปยังไงก็ทําอยู่อย่างนี้อย่าเยวครับทำทุกวันทุกวั น, วนตั้งแต่ตื่นมายันนอน่ะ นอนก็ยังทําอยู่นะครับนอนก็ขยับตัวเวลาพลิกตัวจะเปลี่ยนท่าจะเปลี่ยนปะหมนี้ก็ยังดูอยู่นะครับเวลาเรานอนหลับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเวลาตื่นมาพลิกตัวนี้ไม่ต้องรู้สึกตัวแน่นอนใช่ไหมยรัเราจะเปลี่ยนเราจะปรับท่าอิรยาบทเนี่ยก็ตามดูนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ตามท่านสอนว่าเออให้ทําตามทุกอิรยาบททุกการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําดูตลอดในตอนที่เรารู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นมายันนอนยันหลับยันก่อนนอนยันนั่นแหละครับยันพลิกตัวขยับตัวในการเดินการนอนนั่นแหละ การสลับผ้าห่มกันจะดสวงอะไรเวลาเราเรานอนมันอาจจะมีาการหลุดร่วงบ้างเราก็ตามดูมันไปตลอดคือเอาใจของเราอยู่กับกายของเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดนะครับกายเมื่อยกายปวด ต, ตรงไหนเนี่ยตามดูอยู่อย่างนั้นนะคือเล่นเล่นกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งนี้มันมีมันเกิดกับเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราไม่ได้สนใจมันเองนะครับ เราอาจจะไปโดนการศึกษาการสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมดึงดูดให้ให้ใจของเราเออกจากกายตลอดเวลานะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่กลับมาดูในส่วนที่มันเป็นของมันนะครับเรามาทําความรู้จักซี่กายใจของเราเป็นยังไงมาทําความสนิทมาทําความแนบแน่นมาทำความคุ้นเคยของกันและกันของกายกับใจเนะี่ใหะนั้นไปได้วยกันอ่านะ แต่ภาคว่าจะรู้เองว่าอ้ออาการของการตอนที่เราไม่คิดเนี่ยเออมันโล่งมันดีอย่างนี้นี่เองที่เขาว่ามันไม่มีอะไรในหัวเนี่ยแต่พอเราเราไอยากเวลาเราอยากคิดมันก็สามารถทําไดนะ้เนี่ยเวลาเจออารมณ์อะไรมาเออเราก็เห็นแล้วเออรู้ว่าเป็นอารมณ์มันก็มันก็ปล่อยได้ง่ายกว่าปกติมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกรู้อยากปล่อยวางในความเป็นไปของมันเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นของโลกอยู่แล้วเราจะไ ป, ปะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ไม่ได้นะ แต่แเราอาจะแก้ไขตัวเองได้ในสิ่งที่มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ดีก็ทำให้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตพงศจันทร์ของของผมก็อยู่ได้มาเรื่อยๆมันก็สู้ตัวเองทุกวันนะอยู่ทำไมจากศึกอะไรก็ว่าไปนะทำเวลาของพระหนุนะ่มเนาะแต่แล้วก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นอารมณ์แล้วสิ่งข้างนอกเราก็มองเห็นหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเรามองเห็นเหมือนเราดูภาพยนตร์เนะ่ยว่าสิ่งข้างนอกมัน มันวิ่งมัน ส, สับสนมันคนต้องอลหม่านกันพวกคุณทำอะไรกันบางทีบางทีเ้วก็นั่งมองเวลาขับรถหรือว่าผ่านอะไรมาโอ้คนคนวิ่งตามอะไรกันแล้วก็มันเป็นส่วนดีที่เรามีส่วนมาได้เห็นในสังคมที่เราไม่เคยเรียนรู้นะครับสังคมนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปไปตามดูอะไรอีกนี่ในส่วนที่มันมันเห็นนะครับไม่ใช่มันนั้นหรอกมันทำให้เราอยู่ได้ กับสิ่งที่มันมีไปวันวันนี่แหละสู้กับตัวเองเนี่ยมันยากนะใช่ไหมฮะมันเพิงตื่นมาแล้วอ่อเนี่ยความหิวเป็นยังไงอ่าคุณอยากเหรออาะนี้อยากกินเหรอเราก็ไม่กินซะเนี่ยลองเล่นกับตัวเองเรื่อยเรื่อยๆยเงี้ ย, ยาหาวิธีมาทําให้ตัวเองสนุกไม่ทําให้ตัวเองเครียดแต่ว่าเราก็ดูในส่วนของกายของใจของเราอยู่เนี่ยอาจจะตื่นมาอาจจะคงจัดขอ ง, ข อ, งอะไรในช่วงในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ปฏิบัติ แต่ว่าการยุกมือสร้างอย่งางหวานเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเหมือนเรามาชาร์จแบตเนาะมันมันการมาติวเข้มให้กับตัวเองเป็นในส่วนอื่นๆเราก็ต้องทํานะครับตั้งแต่ตื่นมาพับป้อหอมล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระกวาดเวะแต่งกายหม่มผ้าจีวรจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นได้หมดนะครับกวาดพื้นปูอัสนะอะไรที่ผมทำเนี่ย คือทำนี่ฝึกตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ทําอะไรหรอกคนระับคือหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพราะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมันจะเริ่มเหมือนเหมือนแบตมันจะหมดมันจะวูบมันจะหาเรื่องคิดแล้วแต่เราก็หาอะไรให้กระตุ้นตัวเองเรือตรงนั้นตรงนี้อ่จัดตรงนั้นตรงนี้หน่อยอย่าทําให้ตัวเองมันมันซึมเซาหรือว่ามันแผ่วลงอย่างเงี้ยเี่ยอย่างที่หลวงพ่อท่านชอบไปจัดคอจัดเลยท่านที่นี่แล้วก็๋อเราเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อท่านท่านก็ฝึกของตัวเองท่านเองแล้ว อ, อาศัยมูคันะ ในการหาเรื่องหากิจกรรมให้คนทาแล้วก็มันก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างเรื่อยๆๆเรื่อยอย่างเงี้ยครับในส่วนสำคัญของเราก็ก <c oughs> กองค์กรครับที่เาะคนที่มีความอาราาิยสุขทราคะเหต่างแรงได้ถึงทลแล้วก็เก่ของออแก่ใจดีเอ า, าคะเหมือน ยก ต, ตัวอย่างเรื่องผู้หญิงนะครับหรือว่าเรื่องความอยากคือในส่วนของผมมันอาจจะโชคดีหน่อยที่มันไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เลยครับมันมาแค่แวบเดียวเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะเราเคยก็เคยมีแฟนมีอะไรมาอยู่นอกข้างนอกเรารู้อยู่ว่ามันก็ไม่ได้มีสูขเยอะหรอกแค่แป๊บเดียวนะครับแต่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเนี่ย โอ้ oh, ไหนจะความห่วงความหวงความกังวลความคิดถึงความอะไรส่วนนั้นมันจะมากกว่าแต่ในส่วนที่มันมันเป็นความสุขจริงจิงเนี่ยมันผมว่ามันมีนิดเดียวเองนะในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเมื่อก่อนก็ไม่มีครอบครัวมีอะไรมาเออไม่ใช่ครอบครัวมีแฟนมีอะไรมามันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้เราก็ดูเราก็ดูอยู่นะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราเราต้องเจอกับอารมอะไรบ้างนอกจากครอบครัวนอกจากงานที่เรามาเจอเราก็มาเจอกับคนรักของเรา ซึ่งคนรักก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีส่วนความรักอย่างเดียวมันก็มีส่วนที่เขาหึงเขาหวงเขาตามเขาอะไรใจเราเนี่เหมือนโอ้อะไรเนี่ยฉัน <laughs> มันมีความสุขจริงหรือเปล่าพอเรามาบวชในส่วนเนี่ยเราก็เลยไม่คิดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ครับพอมันเห็นอย่างเราเจออะไรอย่างความอยากหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามเราเราเมื่อก่อนผมมันไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมี ชอบมีอะไรเท่าไหร่ครับไม่เคยมีเคยคิดจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่เคยคิดจะซื้อรถไม่เคยคิดจะซื้ออะไรเลยชอบอยู่ตัวโลง่ลงๆชอบมีเสื้อผ้าสองสามตัวอยู่ในห้องมีตอรี่ตัวหนึ่งทํางานเวลาเอาไปไหนก็ไปหาเพื่อนก็สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้เปิดประตูห้องทิ้งไว้ก็ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรมากเนี่ยชอบเป็นคนอย่างนั้นในความอยากก็เลยไม่ค่อยมีมา ก, กเท่าไหร่ครับก็ถ้าคิดขึ้นมามันก็เดี๋ยวมันก็เบื่ อ, อเองแหละความอยากมันก็มีเวลาเราอยากได้ก็อยากได้ไปงั้นแหละ แต่พอเวลาเราได้มาสักพักมันก็เบื่อมันก็รู้เองแล้วว่ามันมันเป็นสิ่งนั้นนะครับอย่างเรื่องพวกราคะพวกอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันครับมันก็เลยไม่มีผลมากเราก็อยู่ของเราได้ปกติเฉยๆในแต่ละวันในส่วนมากก็จะนนีน่นแหละจะยุ่งอยู่แบบอันนี้นะครับแต่ในอารมณ์ส่วนนั้นมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สําหรับผมครับวา่วาอ่าอ่างั้นก็ขอจบเพียงตอนนี้ก็อ่สาธุนะครับ เราได้ฟังคุณหนุ่มพูดอย่างนี้เป็นไงรู้สึกมีความหวังไหมมีความหวังจะได้พระศาสนาจะได้มีคนมาช่วยอยีกคนหนึ่งเรามีความหวังอย่างนั้นนะคนที่มีความตั้งใจจริงใจและเข้าใจในในเรื่องคำสอนพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเนี่ยหายากนะพระเรา8 0 9สิบเก้าสิเอร์เซนตไปเรื่องอื่นแเนะแต่เรื่องนี้มาตามมหาเยอะ แต่ว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่ว่านั้นแต่มาก็ดูคือมาไม่ได้คิดว่าจะเอาใครมาอยู่ด้วยหรือว่าจ ะ, ะแต่ว่าดูเขามีวาสนาบารมีที่จะเข้าใจพุท ธ, ธได้ไหมถ้าเข้าใจพุทธะคือใช้เป็นเนี่ยก็ถือว่าเขาเขา อ, อ, อยู่ได้ละเพราะว่าเป็นลูกของพระุทธเจ้าได้ละเพราะอะไรเพราะรู้ตื่นเบิก บ, บานและใช้เป็นเพราะตอนที่พพุทธเจ้าเสด็จไปพบ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในระหว่างทางพบกับอาชีวกคนหนึ่งใช่ไหมอุบกกา y ชีวกอ่ะให้จำพุทธบอสได้บ้างวุบา cây ชีวกนี่ติดตามหาคนที่เรียกว่าพุทธะพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็แสวงหาพุทธเจ้าเหมือนกันทีนี้ในพุทธเจ้าในหัวในคนเสียบห้องแกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องวาดภาพอะไรคนที่เป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรรลุธรรมสูงสุดเนี่ยอุคลิกต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะวาดไว้ในหัวเขา แล้วก็ตามหาตามถามไปเรื่อยๆใครพบบุคคลลักษณะอย่างนี้อยู่ที่ไหนบ้างนี่ที่นี้วันหนึ่งเดินสวนทางมาขณะที่พุยเจ้าก็เดินทางไปพบกับเพื่อนทั้งห้าก็รู้สกนะอาการที่ดูลักษณะสดชื่นแจ่มใสดียินมแย้ม่ใสก็ถามว่าท่านเป็นพระมาจากวัดไหนสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านคุณยิยงเจ้าก็บอกว่า เราเป็นผู้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ท่านใช้ภาษาบรุรีว่าฉันเป็นสยามภูคาว่าสายามภูสมัยนะั้นเป็นคําใหญ่นะท่านแจ็คคอนฟิวเริมาแปะแอมเอาไว้เกณฑวันแจ็คคอนฟิวบอกว่าคำคำเดียวเนี่ยมันคอนเทนหรือมันรวบรวมเอาคำสอนพทธิอธิษฐานทั้งหมดแปดแปดหมื่นสี่ัน้อาันเนี่ยไว้ในคำคำนี้คําเดียวแอมเอาไว้เกณฑวันแปลว่าอะไรคุณสมคิด แล้วคุณโชว์ล้ว่าไงแอมมาไวเกณฑวันเราเป็นผู้ตื่นนะผู้รู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วนั่นนหะคำคำนี้เป็นคําใหญ่อมเอาไวเกณฑวันหรือฉันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทีนี้อุปกรณ์ชีวะใช่เหรื อ, อทําไมดูหน้าเทเลสเทเลอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอเออท่านแล้วก็ท่านเหเก็คงจะเป็นของท่านเองแล้วก็เดินผ่านไปเลย ในในตำราบอกว่าแลบลิ้นพิจาแล้วก็เดินหนีไปไพอได้ยินคำนั้นเก็เหมือนกับว่าเอาคำมาพูดคำใหญ่ๆแล้วมาพูดเลาเล่นแกล้นงน้องเนี้นะแล้วก็ยิ้มลักษณะเยอ้ยแล้วก็หนีหลีกไปแง่น้องเนี้ยในใ น, ในประวัติเราจะเห็นว่าคนที่มีคอนเซปต์ Concept หรือสวาทเอาไว้ว่าคนที่เป็นอุดมการ์ของตัวเองต้องเป็นอย่างนี้แต่อไปเจอจริงๆแล้วปรากฏไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักข้างในจะรู้จักข้างนอก เลยไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดก็ปรากฏว่าตามประวัติอุปการชีวกก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าอีกเลยหลังจากพบแล้วไม่รู้จักอย่างเด้ฉันเป็นสยามพูรก็นัไม่เชื่อท่านเองเป็นสังกฤษพระแอมอเวกินวันเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าท่านจะเราตถาคตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตถาคตแต่ว่าคําว่าพุท ธ, ธะเนี่ยไม่ใช่ท่านเรียกตัวเองนะ คนที่พบท่านมันบอกว่าเดินไปตามทางผ่านหมู่บ้านบินทบาทก่อนที่ไปพบเป็นเยวคีเนี่ยนั่นก็บิบนธาบาทเจอเด็กเด็กเด็กก็เวลาไปบินธาบาทกลับมาก็เด็กก็มาหาเหมือนพระคุณดงผ่านไปวันนอกอะ่ะปรากฏที่ไหนก็มีคนมาถามมาเด็กก็มาหาเด็กเลี้ยงควายเด็กอะไรก็มาหาถ้าถามแล้วก็พุทธเจะก็พูดคุยด้วยคูดคุยให้เด็กคนนี้ตื่น ให้ต training, doctor, ื่นทําตุนตื่นตัวทําไงต้องทํำนะเธอตื่นตัวไหมสอนเรื่องตื่นอย่างเดียวตื่นตัวอย่างเดียวตื่นรู้เพราะคนว่าเด็กพวนี้ก็ยังงั้นท่านสอนเรื่องตื่นรู้ท่านก็เป็นผู้ผู้ชติท่านก็เป็นพุทธะย่างนะวันนี้คำว่าพุทธะพุทธเจ้าที่เรียกกันนะเด็กตั้งให้นะไม่ใช่ท่านเรียกพระองค์เองนะแต่ตาแต่ทกติถ้าท่านเรียกตัวเองท่านเรียกว่าใช้เราแตถาคใช่ไหมแต่รี่บอกว่าเราพุทธะท่าไม่เคยพูดแต่ว่าคำพูดโธหรือพุทธะเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนะตั้งให้ เพราะ น, นั้นต่อมาท่านที่ดหันเห็นความสําคัญเรื่องนี้ไปจ้งมูลนิธิอของอยู่ที่อินเดียเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิรายได้ของท่านที่ท่านจาริกเผยแพร่เรื่องสติอยู่ทั่วโยุโรปอเมริกาที่ท่านที่ดหันนี่ถึงที่มาจ้งที่เมืองไทยจะไม่ที่เขาใหญ่อเอาเอาเงินส่วนรายได้ส่วนนี้เพราะว่าพวกฮอลลีวูดตอนนั้นมาอยู่ยที่ฝรั่งเศสนั่นร่วมเขาด้วยพราฮอลลีวูดจะไปทําหนัง ทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าพวกฮอลลีวูดทําหนังพวกฮอลลีวูดเนี่ยต้องมาเจริญสติซะก่อนเพราะงั้นเวลาไปสร้างหนังแล้วไม่เข้าใจคอนเซปต์เพาว่าพุทธะเนี่ยมันจะทําผิดพลาดเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าไปถามว่าลิขสิทธิ์ที่หนังเรื่องนี้ได้ออกมาโดยเอาอหมู่บ้านพรำ เ, เป็นตัวหลักในการแสดงท่านจะได้คคิดค่าลิขสิทธิ์ในการทํากิจกรรมนี้เท่าไหร่ มันคิดเห็นบอกว่าถ้าพวกเราทั้งหลายมาฝึกฝนเรื่องนี้แล้วจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆแต่ขอให้มาฝึกแต่ถ้ารายได้เพิ่งจะเกิดจากหนังเรื่องนี้แล้วจะไปตั้งมูลนิธิเพื่อสู่ข้อเด็กทั่วอินเดียเด็กยากจนทั่วอินเดียเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่มาถึงบทนี้ไม่ดู้เขาทําสําเร็จหรือเปล่านะตอนนั้นมาอยู่ที่เข้าคอร์สอยู่สเสมอเสมอรีทรีตต์อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่เมือง ok do, บอกโดบรรพรมก็ เราจะเห็นว่าตัวรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเป็นคําใหญ่หลวงมากแต่ถามว่าพวกเราทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเราจะะหนักรู้ว่าเห็นความสําคัญเหมันเมื่อไรอย่างท่านเอฟท่านเราว่านั่งไปมันก็นั่งมาแหลมมันก็สลืมสลืองอแงงๆอยู่ยงั้น อ, อ๋อไม่ได้ไปอยู่อะไรไงแต่เวานั่งง่วงกับนั่งแล้วให้มันตื่นตัวหาเรื่องทำโน่นทํานี่ไปเรื่อยๆพอมาตั่งปฏิบัติหรือเดินปฏิบัติทําท่าจะมั่กเเดียมาก็ไปทําเรื่องอื่นจะพักนึ่งจะมาทำใหม ดีว่าจะมานั่งแช่อยู่อย่างนั้นนะเพาไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์นอกจะเกิดโมหะอีกต่างหากนั่งหับตาแต่เราหลับตาไปแล้วเรานั่งง่วงเหงาสะ ป, ประกอบที่เราไม่รู้เราสะ ป, ประกอบนะแต่คนที่อื่นที่เขาเห็นข้างนอกเขาเห็นนะ่ะแต่เราไม่รู้เราสะ ป, ประกอเพราะมันมันละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นคนที่ยังติดสงบเนี่ยก็ถือว่าจิตยังอ่อนเพราจิตยังอ่อนเราก็จะทําเสพในจุดนี้ได้ง่ายเมื่อเสพติดในความสงบแล้ว มั น, จ ะ, นจะมาทำตัวตื่นรู้หรียากไอ้การที่จะมาทําตัวตื่นรู้จิตต้องแข็งปัญญาต้องแข็งถ้าไม่ ง, งั้นเราจะตื่นรู้ไม่ได้ตื่รู้ต่อเนื่องไม่ได้จิตก็ค่อยสู่ความสงบถ้าใครตระหนักรู้ถึงถึงความแตกต่างตรงนี้แล้วกลับมาปลุกตรงนี้ให้ตื่นรู้เสมอเนี่ยอย่างท่เนเรียกว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าสู่กระแสะแห่งพุท ธ, ธาละกระแสะแห่งภาวะตื่นรู้เรารู้จักจวิธีรักษารู้จักจวิธีดําเนินและรู้จักจวิธีดําเนินต่อเนื่องได้ด้วย อันนี้เขาเรียกว่าภาวะตื่นรู้ ก, ก็เริ่มเติบโตเป็นนะเะฉะนั้นนี่เราก็หวังว่าท่านเอฟเป็นพะหนุ่มที่เราน่าจะถือเป็นกิจกรรมได้ต่อไปนะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เนาะสามสิบสี่สิบนี่ลมจะมาพัดเอาวันไหนเราก็ก็ช่วยให้กบลังใจท่านหน่อยก็แล้วกันเนะะาะก็มาก็คืองท่านได้บางเรื่องบางลาวนี่เรื่องส่น้ำส่งไฟท่านเรียนรู้เองเนอะ เราดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟได้ทั้งวัดเลยนะเรียนรู้เองดูแลอันหต่างเออพิ่งได้ละอันนี้มาก็ไม่ค่อยห่วงทีนี้ก่อนที่มาเนี่ยท่านพระใหม่อีกรูปหนึ่งว่าท่านจะศึกแล้วก็ท่านบวชสามเดือนท่านบวชอยู่ที่วัดหลวงพ่อกันหาวัดแพรธรรมรามสามเดือนจบเรียนจบแล้วก็ทํางานพอทํางานแล้วก็มาบวชบวชสามเดือนทีนี้ก็เลยก็กลับอาจศึก เรามาคืเลยว่าอย่าก่อนที่จะึกเรามางานนี้ดูกันอาจจะเปลี่ยนใจไม่สึกก็ได้น ะ, ท, นะท่านท่านธราธรเพราะว่าในแต่ละตระกูลเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งที่ที่มีฝักไฝ่มีศรัทธาในการที่จะทำเรื่องนี้แสดงว่าในตระกูลนั้นได้สั่งสมความดีมาเยอะถึงมีตัวแทนที่จะออกมาไถ่าบาปให้ แต่กจะมาเกิดมาในตระกูลเนี่ยถ้ามาเข้าถึงทำถึงพุทธภาวะเนี่ยมาก็ถ่ายบาปให้ทั้งหมดตระกูลเลยนะพวกใดที่ไปตกในโลกไปอาบายเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาโดยอาศัยเราเนี่ยเป็นผู้ชักยุงเขาขึ้นมาจากอาบายเพราะนั้นในตระกูลตระกูลหนึ่งถ้ามีใครเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วสามารถสัมผัสตัวพุทธภาวะได้ถือว่าคนนั้นเกิดมาเพื่อถ่ายบาปของตระกูลนั้นและตระกูลนั้นต้องได้สั่งสมความดีคุณงามความดีมาเยอะแล้วจึงมีลูกหลาน หน่อเนื้อมาใส่บาตรให้นั้นเวลาเราให้ทานเนี่ยถึงปรารถนาว่านิพานะปัจยโยโหตุอคนาพเตกะ เ, กเรขอให้การทําทานของก็วิเจ้าทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงซึ่งพระนิพานในอนาคตการข้างหน้านุเถรนใช่ไหมเป็นสำนวนติดปากเลยนะคนไทยอ่ะทีนี้อนาคตการข้างหน้านุนถรของของเขาเหล่านั้นของเขาที่ปรารถนาคือใครก็คือบคุคคลคนนี้แหละคนที่จะมาไถ่าบาปให้ตระกูลนี่แหละลูกหลานคนใดคนหนึ่งที่เป็นหน่อเนื้อของตระกูลจะผุดขึ้นมา มาเขาพูดเรื่องนี้ให้ให้ท่านฟังท่านก็สนใจเพราะว่าผ่านมาทางสำนักหลวงพ่อกันหานี่ท่านเป็นธรรมยุทธใช่ไหมก็นั่งหลับตากันแต่ท่านมาที่นั่นก็นหลับตาให้เราเห็นบ้างแต่ท่านก็พยายามตื่นตัวเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าโดยการฝึกทางด้านที่มาหลายเดือนก็อาจจะยังติดค้างอยู่ซึ่งเราจะได้ทราบความในใจของท่านที่จะเล่าอะไรให้เราฟังว่าท่านอาจจะเป็น ผู้ไถ่บาปให้ตระกูลหรือไปสร้างบาปให้ตรกูลต่อไปก็ฟังจากท่านก็นแล้วกันนะฮพุทธังทรมังสังคังนะมาสามิกับขอการ อ, องหลวงพ่อมหาดิเรกและครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ตกลงทุกท่านเจริญพรมายังญาติโยม ก็อย่างที่อาจารย์หลวงพ่อท่านเรียนให้ทราบว่าอาตมาก็เพิ่งเป็นพระบทใหม่เนาะก็มาจากวัดแพรธรรมารามซึ่งได้อยู่วัดแพรนี่ประมาณสามเดือนแล้วก็ก่อนที่จะลาศิกษาก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ที่วัดแพรมามาปฏิบัติที่บ้านแล้วจริงๆก็ตั้งใจแค่ว่าจะ มาให้ญาติโยมที่บ้านใส่บาตร ก, ก็ตั้งใจอยู่แค่สามวันแต่พอมาถึางที่บ้านปว๊บโยมป้าก็บอกว่าก็หลวงพ่อนิมนต์ให้ไปอยู่วัดบนดอยจริงๆงตั้งใจจะไปอยู่วัดวัดที่อยู่ด้านล่างไม่ไม่ได้บนไม่ใช่บนดอยแล้วทีนี้ก็โอเคพอโยมป้ากลาบเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะขึ้นมาอยู่ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยจะได้ศึกษาว่ า, าความแตกต่างของอวิธีการของหลวงพ่อแล้วก็ของวัดแพร่มันต่างกันยังไงซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็หลวงพ่อก็ได้ขอให้อยู่ต่ออีกสักประมาณสองอาทิตย์ก็มาจะถึงวันนี้เนาะก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันต่างนต่างกันอย่างได้ชัดเจนก็คือว่า ถ้าเปรียบเสมือนว่าชีวิตการบวชนี่เหมือนกับการ อ, อ่านหนังสือหรือเรียนหนังสือเนี่ยก็วัดแพร่ก็เหมือนกับฝึกเด็ ก, กอนุบาลเด็กประถมจนถึงมาเจอคอสนี้ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเหมือนกับว่าจบการศึกษาการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในเบื้องต้นได้แล้วเหมือนกับว่ามีมีธรรมะที่จะพอออกไปสู้กับอ่ากิเลสหรือสิ่งภายนอกที่อยู่ข้างนอกได้บ้างแล้วก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นซึ่งซึ่งวิธีที่ได้เรียนจากที่วัดแป้กับที่นี่จะค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมากก็คือว่าที่นู่นจะจะเน้นเรื่อง เรื่องอให้ทำแบบของหยาบก่อนจะเหมือนกับว่าฝึกทั้งทางกายก่อนางทางใจเนี่ยก็คือว่าให้ทำไปก่อนแล้วตเดี๋ยวทำมาเนี่ยมันจะตามเข้ามาเองแต่เหมือนกับว่ามาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะพุ่งเข้ามาเลยว่าให้มาดูเรื่องจิตเรื่องใจเลยก็สิ่งที่ได้นี่ก็คือจะชัดมากก็คือว่าอย่างอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าแต่มาก็ยังจะติด นั่งหลับตาอยู่ก็จริงๆแล้วตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่อาตมาพยายามจะแก้มาตลอดเพราะว่าเป็นสมัยเรียนก็เป็นเด็กที่ง่วงนอนมากคือคือถ้าสมมุติว่าวิชาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอาตมาก็จะเรียนประมาณสิบห้านาทีจะฟังแค่สิบห้านาทีเท่านั้นแหละแล้วก็จะพอรู้แล้วว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไร แล้วหลังจากนั้นก็จะนอนเลยคือเคยเป็นหนักมากถึงขนาดว่ามีวิชาคณิตศาสตร์จะจะชอบมากจะค่อนข้างที่จะอ่านไปก่อนก่อนที่จะไปเรียนหนังสือแล้วพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะเรียนแค่นั้นสิบห้านาทีแล้วขออาจารย์ออกมานอนนอนนี่คือนอนกับพื้นเลยนะไม่ได้นอนฟุบโต๊ะอันนี้คือตอนมอตน้นเพราะว่าอาจารย์ก็อนุญาตเพราะว่าเห็นว่าเราค่อนข้างที่จะ หัวดีทางด้านเลขอาจารย์ก็อนุญาตมันก็เลยเป็นนิสัยที่สั่งสมมาตั้งแต่มัธยมต้นว่าเราจะเรียนแบบนี้แลเรียนไปหลับไปบ้างมันก็เลยจนพอมาถึงวันหนึ่งมันมันมันฝังลึกจนคิดว่ามันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบเราแค่อยากนอนเฉยเแล้วแหละมันคงเป็นมันคงติดเป็น ในเรื่องของสันดานเลยก็เลยพยายามจะแก้ในจุดนี้ซึ่งที่วัดแพร่ก็สามารถแก้ได้ระดับหนึ่งแต่พอมาถึงที่นี่พึ่งเหมือนกับเป็นคอ ท, ที่สรุปเนาะก็เลยทําให้รู้ว่าเออจริงๆริงนี่เรามันเป็นเรื่องของจิตอะของจิตล้วนเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ่าเรื่องของตายอิ่มเลยซึ่ง ที่อาตมาพิสูจนก็คือว่าเวลาที่เราอิ่มเนี่ยจิตมันก็จะอ่อนแออย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าอ่ามันจะง่วงหนักมากมันจะมีประมาณสองสามเวลาก็คือหนึ่งก็คือหลังตื่นตอนเช้าคือจะเป็นไม่รู้ว่าญาติโยมเป็นกันหรือเปล่าจะลุกค่อนข้างที่จะได้ช้าประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแบบขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งเนาะ เวลาตื่นทําวัดตอนที่วัดแพร่เขาจะตื่นประมาณตีสามอัตมาก็อ่าถ้าสมมุติว่าแรกๆเนี่ยไปบวชใหม่ๆเลยตีสามก็จะรับขออีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งสรุปไปตีสามสิบห้ามีตีสามครึ่งพักหลังมาก็ปรับตัวได้ก็มาตื่นตีสองครึ่งก็ยังมีเลดบ้างมาตีสองสี่สิบห้าสิบแต่ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าได้เร็วขึ้น แต่พอมาถึงวิธีของหลวงพ่อก็คือว่าจะจะมีสติตั้งแต่ตอนนั้นเลยพอตื่นปุ๊บก็มีสติแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งหรือสองนาทีก็สามารถลุกขึ้นมาอันนี้จะโดยเฉลี่ยแต่บางวันก็มีช้าบ้างบางวันก็ตื่นปุ๊บแล้วก็ลุกเลยก็มีบ้างอ่าก็จะเป็นในทรนองนี้ก็สิก็ถือว่ามาได้ตรงนี้เยอะมากอ่าในส่วนของอีกช่วงสองช่วงเวลาก็คือจะเป็นหลังอาหาร ซึ่งหลังอาหารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนักหนักพอสมควรก็คืออาตมาก็จะใช้วิธีนั่งหลับตาเนี่ยจะจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือคือคื อ, คอที่ที่มาคอสนี้หลวงพ่อจะบอกแล้วก็สอนอะไรเนี่ยจะค่อนข้างตรงแล้วก็ชัดเจนอาตมาก็เห็นด้วยโดยที่ไม่มีอะไรติดอยู่ในใจว่าเออเฮ้ยมันจริงไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะ ก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอแล้วก็อ่าในส่วนของกลับมาที่ที่ตอนง่วงนอนใช่ไหมตอนหลังฉันเนี่ยก็จะแก้ด้วยการเดินจงกรมคือถ้าจะให้อัตมาคืออัตมาเป็นพร ะ, พระที่มาฝึกวิธีเนี้ยใหม่อาจจะคือใหม่ที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าญาติโยมน่าจะมีประสบการณ์กันมาก่อนแล้วก็ ถือว่ายังไม่ชินเพราะว่าจะชินกับการนั่งหลับตาตอนแรกก็มีคันๆหน่อยค้านหลวงพ่อว่ า, อาจริงๆผมนั่งหลับตาก็ไม่ได้ไม่ใช่ได้หลับแต่เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเราก็จะติดในความเพลินว่าไม่เกินสิบห้านาทีอีกเหมือนกันอีกสิบห้านาทีก็จะเอาลเ้เริ่มเริ่มเพลินเริ่มไหลไปตับความสบายอย่างสมมุติว่าท่านได้นั่งสบายๆก็จะเริ่มเพลินอันนี้คือจริงเวลานั่งหลับตาก็จริงจิตเราก็จะอ่อนจิตเราก็จะ ไมเข้มแข็งพอเราพอเราตื่นปุ๊บเราก็จะตื่นเลยพอเราลืมตานี่ก็จะเหมือนว่าเราจิตเร า, าจะแข็งขึ้นมาแต่พอเราลุกเดินจิตเราก็จะแข็งมากขึ้นอีกอามารย์มใช้วิธีการลุกเดินจงกรมเป็นการเป็นการฆ่าความง่วงในช่วงที่หลังอิ่มใหม่ๆซึ่งมันก็ได้ผลชัดเจนแล้วก็มีธรรมะอีกหลายๆอย่างที่หลวงพ่อให้ก็ถือว่าเข้าใจ แล้วต้องต้องต้องบอกได้ว่าที่ผ่านมาสองถึงสามเดือนเนี่ยเรากลับมาดูตัวเองก็มาดูว่าเออเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะจริงๆเลยก็เพิ่งมาเข้าถึงก็ช่วงที่มาอยู่กับหลวงพ่อซึ่งข้อวัดก็อาจจะไม่เหมือนบางทีก็มีอะไรที่แปลกๆจากเดิมเราก็งงๆบ้างอ่าก็คือแต่ก็เริ่มปรับตัวได้ วันแรกๆที่มาอยู่ก็จะค่อนข้างที่จะติดอัดอาจจะแบบมึนๆงงๆอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนสําหรับคนที่มาอยู่ใหม่ๆแล้วข้อวัดมันต่างจากที่เดิมแต่ก็ปรับตัวอใช้การปรับตัวใช้การน้อมใจเข้าไปหาก็สัมผัสได้ถึงหลายๆสิ่งที่หลวงพ่อสั่งสอนแล้วแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ ในในในตัวองค์หลวงพ่อแล้วก็ก็ถือว่าได้สมบัติมาชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมีค่ากับอันตมามากแล้วก็จะในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็คือจริงๆก็ยังหนุ่มอ ย, อยู่ใช่ไหมแต่ ว, ว่าจะได้เป็นสมบัติติดตัวเหมือนที่องค์หลวงพ่อแดงบอกว่าอาจจะจะใช้ถ้าไม่เจอธรรมะที่ดีกว่าเนี้ยก็คือจะใช้วิธีเนี้ยจะใช้อา่าวิธีคิดอา่า ความเห็นแบบนี้่าความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแบบนี้การอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกแบบเนี้ยใช้กับเราไปตลอดชีวิตซึ่งซึ่งอาตมาว่ามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีที่ดีมากในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอ่าชีวิตคารวาสหรือชีวิตปวงมาจันรซึ่งจะแก้สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายๆอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตก็จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าที่ได้หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของแก้ความง่วงแล้วก็การมีสติอยู่กับกายจริงๆอาตมาก็พยายามหาจริงๆก็ไปอยู่มาหลายวัดน ะ, อะขอครบาอาจารย์ไปซึ่งซึ่งปกติแล้วท่านก็จะไม่ไม่ปล่อยให้พระใหม่ไปที่ไหนเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใด อาจารย์ที่มาแฝ่ท่านหนึ่งปล่อยอัตมาได้ไปเรียนรู้กับปุบาอาจารย์หลายหลยหลายท่านหลายองค์ทั้งซึ่งท่านก็มีขวัามีมีการประพฤติปฏิบัติที่ต่างกันซึ่งก็เป็นความโชคถือว่าเป็นธรรมะจากสันของอัตมาที่ได้มาเจอกับของหลวงพ่ อ, อเรื่องของ เรื่องของการวัดข้อวัดปฏิบัติที่พระอาจารย์ที่สอนที่สํานักเนี่ท่านจะไม่ได้เน้นในแง่นนของความรู้สึกตัวหรือการตามรู้ในการกิจกรรมต่างๆท่านท่านไม่ได้เน้นเรื่องนี้เหล่านี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับของหลวงพ่อถือว่าที่นั่นไม่ได้พูดถึงเลยจะดีกว่าแต่จะให้จะให้เราทําการทํางานแบบเสียสลัด แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เสียใครเขาว่าเสียสละนี้เราทำไปเพื่ออะไรเราเราจะเอาจิตอยู่ตรงไหนเราก็เหมือนกับว่าจริงๆต้องใช้คําว่าสักแต่ว่าทาสักแต่ว่าขยันคือเรามีสติอยู่กับกายเราทํางานอยู่กับกายแต่เราไม่ได้คือเราแต่เราสักแต่ยกมืออย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบถึงนะว่าที่นู่นก็เหมือนกับว่าสักแต่ยกมือแต่ที่นี่ก็เหมือนกับว่ามายกมือเพื่ออะไรครับ นั่งปฏิบัติในแต่ละครั้งเนี่ยนั่งได้หลายชั่วโมงแล้วถ้ามีการอธิบายถึงว่านั่งแล้วมันเกิดสภาวะอะไรอย่างไรท่านลำดับอะไรให้ฟังไหมก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเป็นเรื่องการสอนเป็นเป็นเรื่องเป็นราวที่ชัดเจนแบบองค์ของพ่อเนี่ยจะไม่มีครับก็คือว่าที่นู่นก็คือจะรอให้พระเนี่ยท่าน ฝึกแล้วเห็นเองแล้วก็ค่อยไปถามเองอันนี้ท่านจะท่านจะพูดให้ฟังแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นเวลานี้สอนธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดลําดับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยท่านจะไม่พูดให้ฟังครับคิดว่าในตอนนี้ทํางานหรื อ, อยังเรียนอยู่เรียนจบแล้วทํางานอยู่ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วสองปีแล้วครับได้ทำงานอยู่แล้วเนาะ ทำงานก็ครับทำงานเนจริงๆก็ลาออกมาแล้วแหละครับแต่ก็พร้อมที่จะมาบวชต่อแล้วกัน <laughs> oh <my> ที่คนที่จะต้องมาทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุปัใจจัยใหนะ้แล้วก็ถ้าอยู่ ไปได้เนี่ยแต่ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่เป็นพระอย่างที่ว่าแต่ว่าถ้าออกไ ป, ไปเผชิญข้างนอกก็จะเจอวิกฤตที่หนักๆมากเป็นเหตุให้เขากลับมาอีกครั้งพราะกลับเข้าอีกครั้งนี่จะยาวเลยนะเพราะฉะนั้นพ่อบอกว่าให้ออกไปก่อนก็นแล้วกัน <laughs> จะไปเจอวิบากกรรมหนักๆแล้วจะกลับมาไวๆนะแจะกลับมาต้องปกติเหมือนเดิมมันไม่ใช่พิการมานะเ <laughs> พราะลุงของท่านองค์หนึ่งกลับเข้ามาในลักษณะพิการแล้วนี่ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วแต่ว่า หวังว่าบุญบา ร, รมีของท่านจะจะมากกว่า น, นั้นกลับเข้ามาอย่างปกติก็จะได้ไม่ต้องสึกตลอดแต่ตอนนี้ถ้า อ, อยากจะสึกก็ยังห้ามไปไม่ได้ไปสิกไปก่อนก็แล้วกันแต่ต้องไปเจริญภาวะอย่างพิวานี่แหละนะแต่ว่าต้องกลับเข้ามาแต่หลังจากที่กลับเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะเอาจริงเอาจังแล้วทีนี้ยตั้งใจก็คิดว่าเราอาจจะเจอตอนภาคสองก็ได้นะ พระแลกเนี่ยเอาแค น, นั้นเพราะท่านเป็น ม, มีมีญาตินะอย่างป้านันเป็นกำนันมาหลายสมัยนะกำนันสีดาเป็นผู้หญิงแล้วก็แฟนของนานสีดาเ็เรียกอะไรลุงรุงเคยอะเคยนี่ก็เป็นสยจอมาหลายสมัยเป็นผู้นำพัฒนาหมู่บ้านมายาวนาน แล้วก็แม่ของท่าก็เป็นครูอยู่มีผู้ชายสองคนแลท่านเป็นคนโตท่านก็ได้มาเรียนมาบวชแล้วในในตระกูลของท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้นํำหมู่บ้านมาตลอดตั้งแต่สมัยปู่สมัยตานะฉะฉนั้นก็น่าจะเกิดมาเพื่อไถ่าบาปให้ตระกูลด้วยเพืนะ่อท mm ี่จะแต่ส่วนจะภาคหนึ่งพักสองแต่พักหนึ่งยาวทีเดียวนี้ก็สวยมากนะเนาะแต่ภาค จะต้องอาจจะไปใช้บาปให้ตะกูลก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ที่นี้เหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนั่นองะฮะก็ขนะอมโนธนาในความตั้งใจทีนี้มาดูอีกท่านหนึ่งสมเนินสมเนินก็กลว่าจะเ อ, อามาจะให้ให้ไปบวชเนรพระร้อนได้เดือนหนึ่งทีนี้ก่อนจะศึกเอามาก็เลยว่าจะมาฝากเข้าเรียนต่อที่ไอวิไลของโรงเรียนลุงกระลุนที่กรุงเทพ แต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมาดูถ้าจะาไม่ผ่านก็จะให้เรียนบาลีเรียนนักธรรมพระอาจารย์ลงศิลแต่ว่าถ้าหากว่าท่านตั้งใจที่จะไม่เรียนทางนั้นท่านก็จะมีวิถีเป็นอย่างไรเนี่ยท่านมาปฏิบัติทางนี้แล้วมาบทรู้สึกอย่างไรเนี่ยท่านจะเล่าให้เราฟังครับ ก, การหลวงพ่อมหาดีเลกและ พ, พระภิกษุทั้งหลายพุะภิกษุถูกลูกและญาติธรรมทุกคนที่ตอนแรกเน้นก็ไม่ได้คิดที่จะมาบวชพระรุนร้อนเหมือนกันครับเพราะว่าห่วงเล่นสงการก็ไม่ได้เล่นแต่พอรู้จักกับหลวงพ่อมาสี่เดือนกว่าก็ติดตามหลวงพ่อไปทุกที่เก็บเจอทุกที่ครับ พออยู่กับหลวงพ่อไปก็รู้สึกดีมีสมาธิไม่อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอนเจริญสติก็เลยหลวงพ่อขอให้ไปปวดก็เลยลองไปปวดดูแล้วก็ตอนแรกไปปวดก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันครับเพราะว่ามันปวดไกลบ้านจากที่แม่กับสารคามแต่พออยู่ๆไปนานๆไปได้สักครึ่งเดือนปุ๊บก็ มีความสุขแล้วก็อยู่กับพวกน้องๆตอนแรกก็เป็นเนนธรรมดาอยู่ไปนานๆไปก็ฝึกไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อหลงศิลแกก็ให้เป็นพ่เลี้ยงช่วยพี่เนรดูแลน้องเนนตอนแรกก็นั่งจเจริญสติแบบหลวงพ่อเนี่ยครับตั้งแต่บวชเลยตั้งแต่เป็นนาคอยู่ที่ วัดป่าโคกดินแดนสิบวันที่บวชอยู่เป็นนาคตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันว่าปกติบวชเนรมาสี่ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าทำไมเป็นนาคนานจังเพราะหลวงพ่อแกบอกว่าบวชที่วัดป่าต้องมีความอดทนมีความอดก้า้นสูงแต่ว่า เน้นที่อยู่นั่นก็เก่งๆกันทุกคนครับส่วนอยากจะเรียนต่อก่อนครับครับางวิชาการครับาารครับ ตอนแรกก็มาอยู่ที่นี่วันแรกก็ง่วงมากครับรับตัวเก็บไม่ทันแต่ว่าก็แปลกว่าอยู่ที่สารคามก็ตื่นตีสามทุกวันแต่ว่ามาอยู่นี่ตื่นตีห้าก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมตื่นสายว่าปกติอยู่ที่นั่นก็ตื่นตีสามธรรมะตีสี่ช่วงตอนตีสามกว่าก็เดินจงกลม แล้วก็นั่งจเจริญส ต, ติกับหลวงนาอยู่ที่นั่นนั่งเป็นประมาณเกียบเดือนนะครับตอนแรกที่มากับหลวงพ่อหลวงนาก็บอกแน่ใจหรอว่าจะไปช่วยหลวงพ่อจะไปช่วยหลวงพ่อหรือว่าจะไปหลับหลวงนาแกก็บอกอย่างนี้ตอนแรกโยมแม่ก็บอกตอนแรกโยมแม่ก็คิดอยู่ว่าจะให้มาหรือไม่ให้มากว่าเป็นภาระของหลวงพ่อ แต่พอว่าปุ๊บก็รู้สึกว่ามีอะไรที่แปลกใหม่เยอะขึ้นตอนแรกที่ขึ้นเครื่องบินกับหลวงพ่อตอนแรกกะว่าถ้าลงไปได้ก็อยากจะลงมากเลยเพราะว่าเป็นคนกลัวความสูงแล้วก็มองลงไปข้างล่างก็หัวใจสั่นมากเลยกลักวจะเป็นไรตอนแรกกะว่าจะร้องไห้ก็ลองไม่ออก แต่ว่าถ้าอยู่ที่ที่นี่กับอยู่ที่วัดนู่นอยู่ที่วัดนู่นมีความกดดันเยอะแล้วก็คนที่ส่วนมากเน้นจะปิดสินที่เขาบอกว่าห้ามกินของในเวลาวิการสินข้อหกตอนนั้นเน้นกินครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดสินครั้งหนึ่งโดนทําทางการไปครั้งหนึ่งตั้งแต่นั้นเน้นก็ไม่โดเน้นก็ไม่ทําอีกเลยเพราะว่าที่นั่นถ้าใครทําปิดศินห้าข้อข้างหลัง ตรงน้าก็จะให้ตักตกขี้ครับไปถังไปทิ้งก็เลยทุกคนก็เลยไม่กล้าทำผิดศีลทั้งสิบข้อนั่นก็เลยไม่มีใครอยากทำก็เลยอยู่ในศีลเลยทำมาตลอดครับ ก็คุณสุบส่วนตัวที่มาชอบมากๆคือเชื่อฟังทั้งๆ ท, ที่ห่วงโว่การอยากจะเล่นโซ่การเต็มแก่นะแต่ว่าขอล้องถ้าก็เชื่อฟังไปบวช ด, ดีๆบวชครั้งที่ห้าแล้วนะครั้งที่หกต่อไปก็ไม่ศึกเลยเพราะงั้นแต่ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ต้องเอาไปเผชิญชะตากรรมก่อนนะว่าว่าไปเพิ่มบุญกุศลความจริงยิ่งทุกข์เลยบุญเนื้อมันยิ่งเกิดนะถ้าเราเอาเป็นก็อย่างน้อยก็มีตัวนี้ติดไปว่า เห็นว่า <át> พ <trend> ่อบ้านพ่อของท่านเป็นผ so ู ouais ้ใหญ่บ้านที่อาตมาอยู่นั่นเองคือจริก็เป็นญาติกันเป็นญาติกันก็เป็นเป็นลูกเป็นหลานก็เลยเมื่อมาบวชทางนี้มาผ่านทางนี้เวลาต่อไปในอนาคตจะเป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้มีศีลมีธรรมได้ด้วยก็เลยมาฝึกเพราะฉะนั้นเองในการฝึกปฏิบัติอย่างนี้เข้าสู่ตัวสภาวะโดยตรงที่ท่านตลาดรว่าเนี่ย ถ้าเราฝึกแต่กายแต่ความจริงเนี่ยระหว่างรถกับคนขับเนี่ยเราคนจะฝึกใครร่างกายเหมือนรถเราไปตกไปแต่งไปล้างไปติดโน่นติดนี่สวยงามขนาดไหนถ้าคนไม่ขับมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไปปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติจะปิ์พิสดารสวยงามขนาดไหนร่างกายมันก็พาไปสู่นิพพานได้ช้าหรือไม่ได้ แต่ถ้าหาว่ามาจัด ก, การฝึกคนขับซะก่อนเนี่ยใจเหมือนคนขับมามุ่งฝึกคนขับให้รู้จักกฎจราจรให้รู้จักซ่อมจักสร้างรู้จักการดัดแปลงรู้จักใช้รถรักษารถรู้จักวิ่งรถอย่างปลอดภัยเนี่ยจะทำอย่างไรก็คือฝึกใจของเราเนี่ยให้ปลอดภัยฝึกให้มันเป็นเมื่อคนขับฝึกรถคนขับขับรถเป็นซ่อมรถเป็ น, นยจะไปนั่งรถกี่สิบคันก็ได้จะขับรถคันไหนก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเรามีรถดีหอ ด, ด, ดีดีสะกคันแต่เราขับไม่เป็นหรือขับไม่ชํานาญเนี่ยไม่กี่วัน เ, นเราไปเกิดอุบัติเหตุรถจะพังไปเลยบางทีเราก็ตายไปด้วยเพราะฉะนั้นไปดูแลร่างกายอย่างดีที่สุดอย่างมีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีที่สุดแต่ว่าจิตไม่ชํานาญในการดูแลตัวเองและดูแลร่างกายก็ไม่นานก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ้นเข้ามาสู่พระศาสนาเนี่ยทุกที่จะจะมุ่งให้ฝึกจิตทันทีเลยน ะ, อะบอกให้ดูให้ดู ให้ดูเข้าไปที่จิตว่ามันเป็นใหญ่เป็นประธานที่ท่านกล่าวว่าจิตธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานถ้าใจดีก็ทุกอย่างดีหมดถ้าใจเสียทุกอย่างเสียหมดแต่พูดการทำการคิดเพราะนั้นต้องรีบฝึกหัวหน้าของเราเนี่ยคือจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ถ้าผู้เป็นใหญ่ผู้นาเราเนี่ยเป็นผู้นาที่ไม่ดีเป็นมิจฉาทิฐีเนี่ย เราก็จะลำบากไปเรื่อยๆตกเป็นทาตตกเป็นทาตของของกิเลสตัณหาแต่พอเรามาฝึกจิตที่เป็นใหญ่ถ้าจิตนี้ไปมีธรรมมีศีลมีธรรมเนี่ยเราก็จะสบายเราได้หัวหน้าที่มีศีลมีธรรมมาปกครองเราเราก็สบายตลอดชีวิตแต่ถ้าหากจิตของเราซึ่อเป็นหัวหน้าของเรานี่ยไม่มีศีลมีธรรมไปติดในโลกโกดหลงเนี่ยเราก็จะตกเป็นทาตของความทกข์ทุลอดไปตลอดชีวิต ไม่ใช่ชีวิตนีิยชาหน้าก็ต้องเป็นทาตุโกลกขนงต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดเราต้องรีบฝึกจิตให้ให้หันมาทางในฝ่ายที่เป็นสมาธิถี่เพราะไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอ่ะใช่ไหมปุปปับเราตายเลยเนี่ยถ้าเกิดจิตของเราเป็นมิจฉาทิถี่อย่างไม่ยังออกจากธาตุแงตัรหามัได้พอตายไปเราก็ต้องไปเป็นทาตุแหการหามารู้กปีปภกิจชาติเพราะฉะนั้นเข้ามาต้องเร่งจัดการเรื่องจิตให้ได้เลยทีเดียว จนกระทั่งว่าจิตของเราปลอดภัยจากมิจฉาทิฐิแล้วก็จะมาดูแลร่างกายจะรักษาศีลจะทําสมาธิจะฝึกอะไรก็ทําได้เพราะเรารู้จักถากาแล้วเหมือนเราขับรถเป็นเนี่ยเราจะขับรถไปไหนครับคันไหนยี่ห้อไหนมันขับได้หมดเมื่อจิตเราเป็นธรรมเป็นสมาทิฐิแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ร่างกายของเราจะตายไปพบไหนชาติไหนหรือร่างกายของเราอยู่ในภาวะใดเนี่ยมันก็ปลอดภัย ปลอดภัยทุกภพทุกชาติหรือปลอดภัยไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องทุกภพทุกชาติมันไกลไปแต่ละวันก็มีความปลอดภัยและวันมีความสุขมีความสงบแต่ละวันก็มีความตื่นรู้เบิกบานแล้วเหมือนขับรถที่เป็นแล้วนี่สบายเพราะฉะนั้นต้องฝึกนายของเราเนี่ยเหมือนคนขับรถกายของเราถ้าหากว่าคนขับรถดีเนี่ยรถคันนี้อาจจะใช้ไปสามสิบห้าสิบปีเมืองรถยมจัม๋วไใช่ไหม เออใช่มากี่ปีแล้วมีจุดมีจุดน่าดีกี่ปีแล้วห้าสิบปีเออเกือบห้าสิบปีแล้วเนี่ยรถรถเบนซ์คันเนี้ยใช่ไหมแต่บางคนออกป้ายแดงมาไม่กี่วันได้ไหมมาอุบิเหตุข้างทางเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราเป็นคนดูแลรถดีเนี่ยรถคันเดียวเี็กก็ใหม่ตลอดแล้ววิ่งตั้งแต่กรุงเทพมันี่ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเออรถบางคันออกมาสี่ปีปีวิ่ง ไ, ไกลไม่ได้แล้วอันนี้คือตัวอย่างว่าในเมื่อเรา ขับรถเป็นม า, มาที่นี่มีคนทําให้ตลอดเนาะเรียกว่ามีบุญเกิดละดังนั้นในช่วงเช้านี่เหลือยประมาณสักสิบนาทีเราจะออกไปเดินจงกรมกันก่อนรับประทารเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในส่วนที่เราได้อดทนนั่งฟังพระท่านรายงานแล้วได้อะไรหลายอย่างจากการรายงานของท่านเราก็จะรายงานกันแบบเนี้ตั้งแต่หลังจากทานอาหารแล้วเราไปเก็บข้าวเก็บของทําความสาะอาดไปแพ็คของอะไรให้เรียบร้อย ได้จะคืนโทรศัพท์ให้เช้านี้ด้วยหลังจากทานอาหารแล้วพอเข้าสู่โหมดของการรายงานอีกทีก็ประมาณสักเก้าโมงนเะก้าโมงถึงสิบเอ็มงพหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็แล้วว่าไปใครไปมันนะไม่ต้องไปเสียเวลาแพ็คของอยู่ตรงนั้นแล้วเนะพราะนั่นจากที่ที่เราไปรับประทารแล้วก็